ขอนอบน้อมต่อคุณพระตนะเทาตยข้อกาศพระจาจาร์ไพศาลพระเทลานุเทละเพื่อนสามพิธา ม, มิกทุกท่านเจริญธรรมไม่ชีและญาติธรรมทุกท่านในสมัยหนึ่งนะพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงสเสด็จไปโปรดชาวอาราวีได้ทรงแสดง มโนานาสติให้แก่ชาอวอารีฟังขณะนั้นก็มีทิดาช่างหูคนหนึ่งอายุประมาณสิบห้าสิบหกปีเท่านั้นนะได้ฟังมโนานาสติแล้วก็มีความสนใจนำมาพิจารณาจูเป็นประจำนะก็เกิดความไม่กลัวซึ่งความตายนะ จิตก็มีความสงบระงับมีความไม่ประมาททำให้การปฏิบัติธรรมก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆทั้งๆที่อายุเพียงประมาณสิบห้าสิบหกปีเท่านั้นได้ปฏิบัติพิจณาอานาธรรมรณานี้เป็นเวลาสามปีมต่อมาพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงตรวจสัตว์โลก คือในตอนเช้าเนี่ยพระเจ้าก็จะทรงตรวจสัตว์โลกเป็นประจำว่าผู้ใดอยู่ในข่ายที่จะสามารถไปตรวจได้บ้างก็ปรากฏว่ามีอธิดาช่างหูกนี่แหละเข้ามาในอพยานนะที่สา ม, มารถไปตรวจได้ก็ทรงดําเนินไปเป็นระยะทางประมาณสามสิบโยชนเพื่อที่ไปโตรวจธิดาช่างหูกโดยจะไปถามคําถามสี่ข้อนี้ ถ้าสามารถถามแล้วเนี่ยก็ธิดานี่ก็สามารถบรรลุเป็นพระโสดาบันได้เมื่พระพุทธเจ้าเดินทางไปที่เมืองอราวีนั้นชาวเมืองก็ทราบข่าวแล้วก็มีการพูดต่อๆกันไปธิดาช่างหูก็ทราบข่าวนี้ก็อยากไปฟังธรรมจากพุทธเจ้ า, จาแต่ในวันนั้นบิดาของ ธิดาเนี่ยบิดาบอกว่าวันนี้มีงานเร่งด่วนนะเพราะว่ามีลูกค้าเนี่ยสั่งให้นําได้ที่กรอแล้วเนี่ยไปที่โรงทอผ้าเพื่อที่จะใช้ทอผ้าเพราะวันนี้จะต้องรีบทํางานให้เสร็จนะธิดาช่างอูก็อยากไปฟังทำแต่ว่ายังไปฟังไม่ได้เพราะว่าต้องทอผ้าซะก่อนะ ก็รีบทอผ้าไปเรื่อยๆขาะนั้นผู้เจ้าก็เสด็จไปที่เมืองนั้นแล้วชาวเมืองอาราวีก็มารอฟังธรรมกันเป็นจํานวนมากแต่ผู้เจ้าก็มองอยู่ยังไม่เห็นธิดาช่างหูกมาก็ทรงรอไปรอไปก่อนนะรอไปเรื่อยๆธิดาช่างหูกก็รีบทําจนเสร็จก็มานะผู้เจ้าได้ทรงเห็นอธิดาช่างหูกแล้ว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 ชาเมืองได้ยินคำตอบแล้วก็เกิดความไม่พอใจที่ว่าตอบแบบลิ้นลิ้นนะก็รู้ว่ามาจากไหนก็มาจากที่บ้านนั่นแหละจะไปไหนก็คือจะไปลงทอกลุยแล้วทาไมถึงตอบแบบนั้นชาวเมืองก็โจ์ขานกันว่าใช้คำตอบที่ไม่ดีไม่ถูกต้องไม่พอใจกันนะ พระพุทเจ้าได้ทรงทราบคำตอบแล้วแต่ก็อยากจะให้อ่าธิดานั้นตอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้ชาเมืองเข้าใจว่าตอบว่าอย่างไร <c oughs> ก็ถามว่าเออที่ถามว่ามาจากไหนทําไมตอบว่าไม่ทราบทิดาก็ตอบว่าข้าพงศ์ก็ทราบอยู่แล้วว่ามาจากที่บ้านแต่ที่ตอบว่าไม่ทราบก็คือไม่ทราบว่าก่อนที่จะมาเกิดในชาตินี้ะ ได้เคยเกิดเป็นอะไรมาก่อนเกิดในกำเนิดไหนมาก่อนเนี่ยไม่ทราบจริงๆแล้วที่ถามว่าจะไปไหนเนี่ยข้าพุทธก็ทราบแล้วว่าอ่จะไปที่โรงทอผ้าแต่ที่ตอบเท่นั้นก็ไม่ก็เพราะว่าไม่ทราบว่าเมื่อตายอย่างชาตินี้ไปแล้วเนี่ยจะไปเกิดที่ไหนเราถามว่าไม่ทราบหรือที่ตอบว่าทราบก็เพราะว่า ทราบแล้วว่าชาตินี้จะต้องตายแน่นอนเราถามว่าทราบหรือตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่าก็เพราะว่าไม่ทราบว่าจะตายวันใดตายเวลาใดและตายที่ไหนอันนี้พระพเจ้าได้ฟังแล้วก็อนุโมทนาสาธุทุกๆคำตอบบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว แสดงว่าธิดาช่างหูกนีนะ้มีจิตใจที่เข้าถึงธรรมรู้การมาการไปได้ถูกต้องจิตใจไม่มีความประมาทแล้วชาติเมื่อไม่ได้ฟังก็เกิดความพอใจในสิ่งเหล่านั้นธิดาช่างหูกนะเมื่อได้ฟังคำพระเจ้าได้ทร ง, งแสดงธรรม ต่อมาก็บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็ได้ถึงกับความตายในวันนั้นเลยเพราะว่าวันนั้นเป็นวันที่ต้องตายอยู่แล้วเนื่องจากว่าเมื่อไปอที่โรงทอผ้าก็ได้เกิดบัตรเหตุหูก็พุ่งกระแทกมาชนหน้าอกแล้วก็เลือด ก, ก็หลั่งไหลยออกมาไปจนนวดมากจากภายในและภายนอกก็ถึงกับความตายแต่ก็ได้ไปเกิดเป็นออยู่ในชั้นที่อ เป็นเทวดานะเป็นเป็นโซดาบันนะบรรลุพระโซดาปฏิผลนะอันนี้เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วคําตอบของทิดาช่างหูกนั้นเป็นสิ่งที่น่าคิดมากนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราก็ไม่มีใครที่ทราบว่าเรามาจากไหนนะก่อนที่ไจะเกิดในชาตินีนะ้เพราะว่าภูมินมีถึงสาเหตภูมินะสาเหตุภูมิก็มีมนุษย์นะสัตว์เดี้ยงชาน เปรตอสุรกายสัตว์นรกอันนี้ก็ห้าภูมิแล้วน ะ, ะมีเทวดาเทวภูมิอีกหกภูมนะิก็เป็นสิบเอ็ดมีพรหมลูกประพรมอีกสิบหกเอาูประพรมอีกสี่นะก็รวมไปเป็นสามสิบเอ็ดนะภูมินะในสามสิบเ็ดภูมินี่เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเรามาจากไหนน ะ, ะเราอาจจะเป็นเทวดาหรือเป็นพรหม มาเกิดก็ได้นะเหลือจะเป็นมนุษย์เนะหลือจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสันนิษฐ์ได้ทั้งนั้นนะตรงนี้นะเราไม่รู้ว่าเรามาจากไหนจริงๆนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้สังเกตว่าจิตใจของเราไปในทางไหนนะถ้าจิตใจของเรามุ่งไปในทางกา ร, การทําความดนะีการมุ่งปฏิบททัติธรรมรักษาศีลเนี่ยแสดงว่าเราต้องมีของเก่าอยู่นะมีของเก่าที่เราจะต้องมาทําต่อ บางคนนี่ปฏิบัติทำได้ผลเร็วนะก็เพราะว่าเคยปฏิบัติมาแล้วเมื่ออดีชาตินถ้าเราเคยทํามาแล้วเนี่ยมามาต่อยอดก็จะเร็วในะยังครูบาอาจารย์ต่างๆหลายองค์นะหลวงปู่มั่นหลวงปู่เทศหลวงตามหาบัวหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวหลวงพ่อชานะหรือออ่าหลวงหลวงพ่อเทียนนะครูบาอาจารย์เหล่านี้ปฏิบัติรรมไม่นาน จริงๆก็ไม่กี่วันไม่นานเท่าไหร่นะท่านก็บรรลุทำเป็นแถวแล้วหรือแม้แต่ประวัติของลูปุลเลียนวลลาโภขนาดนั้นท่านอายุยังไม่ถึงยี่สิบปีเนี่ยยังเป็นคราวาสยังขี่ควายอยู่เลยขี่ควายอยู่ท่านก็พิจารณารมแป๊บเดียวปรากฏว่าจิตท่านสว่างสวัยนะสว่างสวัยไปหมดเกิดความเข้าใจธรรมจิตสงบนิ่ง นขนาดท่านเป็นแบบนั้นท่านก็แป๊บเดียวท่านก็สามารถที่จะเข้าใจทําได้อย่างรวดเร็วนะอันนี้ก็เกิดจากว่าท่านเนี่ยมีบารมีมีเก่าอยู่ของเก่าอยู่นะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หายไปไหน <c oughs> ว่าเรามาต่อยอดในตรงนี้ไหมเหมือ <c oughs> นกับพระพายะพระพายะนี่ก็เคยเล่าให้ฟังแล้วนะแต่ว่าในดิตชาตทิท่านก็เคยบาเพ็ญมามากมายนะในสมัยพระเจ้าองค์ก่อนนะท่านก็สมัยนั้นก็บวชเป็นพระอยู่อนะท่านก็ชวนพระอีก สี่องค์เนะี่ยขึ้นไปบนบุกเขานะเมื่อขึ้นไปแล้วก็ผักบันไดตกลงมาบำเพ็ญเพียรเพื่อที่จะให้บรรลุอ่านะเป็นพระรยาเจ้าให้ได้ถ้าไม่ถึงความเป็นพระรยา เ, า, เาเจ้าก็จะยอมตายนะปรากฏวันแรกนี้ก็มีอนะ่าพระองค์หนึ่งก็สําเร็จเป็นพาาระรหันต์นะก็ทรงปัญญาก็เหาะไปบินบาบมันเลี้ยงที่เหลืออีกสี่องค์ก็ไม่ชันนะต่อมาก็มีองค์นึงบรรลุนะก็ เป็นพระอรหันต์ก็ไปบิณฑบาตมาเลี้ยงก็ไม่ฉันอีกก็บรรลุเป็นพระอรหันต์สามองค์อีองค์เป็นพระอนาคามีนะส่วนพระพายะตอนนั้นก็ไม่บรรลุอะไรเลยก็ต้องถึงความตายนะคืออาชีวิตเนี่ยเขาแลกในการปฏิบัติธรรมนะถ้าไม่สําเร็จก็คือตายมีความเพียรสูงมากนะอันนี้คือบา ร, รมีในชาตินั้นพอเกิดพระพายะฟังธรรมเจ้าพุทธเจ้าเล็กน้อยนแะอ่ว ขอฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็แสดงให้ฟังว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินรู้ก็สักแต่ว่ารู้ทราบก็สักแต่ว่าทราบเมื่อนั้นท่านจากไม่มีในโลกนี้ท่านจากไม่มีในโลกหน้าท่านจากไม่มีในโลกทั้งสองนี่แหละคือที่สุดแห่งทุกข์นะพายะฟังแค่นั้นก็สําเร็จเป็นพระอรหันต์เลยนะ <S <S และ้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเอตตะทะในการบรรลุธรรมได้เร็วที่สุดนะเพราะว่าท่านก็มีของเก่าอยู่ ของก่าก็คือเคยสร้างในสิ่งเหล่านี้มาแล้วเคยบำเพ็ญจิตตภาวนาต่างๆมามากมายแล้วนะเมื่อมาฟังทาอีกครั้งหนึ่งก็สำเร็จได้เร็วนะก็คือมาต่อยอดนะที่ทํามาเยอะๆแล้วนั่นเองเพราะนั้นการปฏิเั็ิธรรมนี้ไม่ได้หายไปไหนนะนะไม่เหมือนกับการที่เราเรียนในทางโลกเนี่ยเราจบเป็นด็อกเตอร์กี่สาขาก็แล้วแต่นะพอมาเกิดชาติใหม่ก็ ต่อยอดกันไม่ค่อยจะเจอเท่าไหร่นะต้องมาเริ่มต้นใหม่ทุกทุกครั้งแต่การปฏิบัติรมนี้ไม่ได้สูญหายไปไหนนะเรามาต่อยอดได้เพราะฉนั้นเราบางทีก็อย่าไปอิจฉาเพื่อนนะเออทําไมเราปฏิบัติมาต้องนานไม่ก้าวหน้าเพราะเพื่อมาปฏิบัติไม่นานก็ก้าวหน้าเร็วกว่าเราเนี่ยเพราะว่าก็จะมีของเก่าอยู่นะตรงนี้เราก็ต้องพยายามที่จะทําให้ดียิ่งขึ้นไป เพืนทำได้ดีแล้วเราก็อนโมทนากับเขาเนี่ยเราก็ตั้งใจทําเรื่อยๆอีกหน่อยเราก็เช่นเดียวกันนะเราก็จะแบบนะทําได้ก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆนะอันเนี้เราจรึงว่าบางทีเนี่ยถ้าเรากินให้ดีแล้วนะเราอเอามาตรงนี้มานํามาใช้ว่าเราอ่มาต่อยอดตรงนี้มันไม่ได้เสียหายตรงไหนเลยนั้นดีว่าเราไม่ได้ทําเพิ่มเติมถ้าเราไม่ทําเพิ่มเติมนี่เราก็ถือว่าเราขัดทุนนะขัดทุนมาก เพราะว่าผู้ที่มานั่งตรงนี้ถือว่ามีบุญทุกคนนะมาต่อยอดทุกคนแล้วนะแล้วคราวนี้อย่างว่าเออไ ม, ไม่ไม่ทราบว่าเราหลังจากตายในชาตินี้แล้วเนี่ยเราจะไปเกิดเป็นอะไรนะตรงนี้จริงๆแล้วเราไม่สามารถจะจะเลือกที่เกิดได้นะไม่สามารถจะเลือกเป็นมาเกิดว่าเป็นลูกเศรษฐีลูกคนจนนะหรือเกิดเป็นอะไรได้แต่เราสามารถจะเลือกไปเกิดได้นะ <c oughs> ยังก็มีคกากล่าวว่า ผู้ใดอยากจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ให้มีความโกรธบ่อยๆนะโกรธเก่งๆนั่นแหละมีโอกาสไปเป็นสัตว์นรกแน่นอนนะเพราะความโกรธนะ่ะมันมีความร้อนอยู่ในตัวในทางจิตในทางใจมันก็จะดึงไปสู่อ่ภพภูมิที่มันใกล้เคียงกันนะคือจริงๆแล้วภพภูมิที่มันจะไปเนี่ยมันสามารถที่จะดึงดูดกันได้ในสภาวะจิตของเราว่าจิตของเราเนี่ยมีสภาวะธรรมอย่างไร <c oughs> มี อมีภูมิอย่างไรในขณะนั้นนะจิตอยู่ในภูมิไหนก็คือดึงเข้าไปในสู่ภูมินั้นอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเราโกนบ่อยเนี่ยมันก็ดึงเข้าไปสู่ในภูมนะินรกถ้าเราอยากจะไปเกิดเป็นเปรต เ, เนี่ยก็ไม่ยากนะเราก็โลภบ่อยๆนะอ อ, อยากจะได้นู่นอยากได้นี่ อ, อทําความโลภบ่อยๆก็ไปเกิดเป็นเปรตได้นเองนะไปเกิดเป็นสัตว์เดฉา น, นี้ก็ไม่ยากนะ เ, ออเราก็ทําให้หลงบ่อยๆนะ ตั้ง <risque. S 2> ใ, ใจเลยก็ได้นะไปเกิดเป็นสัตว์เลี้ยฉานตั้งใจเกิดเป็นสุนัขเนี่ะหรือไปผูกพันกับสุนัขมากๆเนี่ยก็มีโอกาสไปเกิดสุนเป็นสุนัขนะ ไ, ได้นะบางคนไม่รู้นะเลี้ยงสุนัขในเป็นรักมากเกินไปรนะักมากเกินไปผูกพันมากเนี่ยโ ม, มีโอกา ไ, กไปเกิดเป็นลูกสุนัขไม่เยอะมากเลยนะผูกพันกัสบสิ่งใดก็มีโอกาสไปเกิดเป็นสิ่งนั้นได้ไม่ยากนะ อย่างในสมัยพุทธกาลก็พระพุทธเจ้าก็ไปบินทบาทผ่านบ้านเศรษฐีนะไปเจอลูกเศรษฐีก็เลยทรงย้มสวนพระนนทเห็นทรงย้ำสวนก็ถามว่าก็รู้ว่าเออต้องมีเหตุอะไรเกิดขึ้นอเมื่อกลับไปที่วัดแล้วเนี่ยก็ทรงถามพระพุทธเจ้าว่าเหตุใดจงึงทรงย้ำสวนพระพุทธเจ้าบอกว่าที่ทรงย้ำสวนนั่นก็เพราะว่าเศรษฐีนะั่นละมาเกิดเป็นลูกสนักที่บ้านของตัวเองแล้ว พอข่าวนี้แพร่สะพัดไปลูกชายเศรษฐีได้ยินนะก็เกิดความไม่พอใจก็มาต่อว่าพระพุทธเจ้าว่ามาว่าบิดาตัวเองมาเกิดเป็นลูกสุนัขได้อย่างไรพนระพุทธเจ้าแปลว่าอย่างนี้ลองทดลองดูอย่างนี้ตีไ่ยนะกลับไปบ้านนะก็ไปเรียกลูกสุนัขตัวนั้นมานะแล้วก็เอาอาหารอย่างดีให้ให้เขากินแล้วก็อาบน้ําให้อย่างดีแล้วก็รูปลูปหัวนะรูปศีรษะเขาบอกว่าพ่อพ่อพ่อฝังสมบัติไว้ที่ไหนอนะพาลูกไปหาด้วย ลูกชายเศรษฐีก็รับคำแล้วลองทำดูปรากฏว่าสุนักก็พาไปหาที่ฝังสมบัติไว้ลูกชายเศรษฐีคุดมันก็เจอสมบัติจริงๆนะอันนี้หลังนั้นก็เลยกลับมาขอขอขมาขอโทษสอพระเจ้าที่ได้ล่วงเตือนเชนนั้นไปนอันนี้เพราะว่าจิตมีความผูกพันนะวเวลาก่อนตายนี่ฝังสมบัติไว้ยังไม่บอกลูกเลยนะก็เป็นห่วงก็เลยจะมาเกิดเป็นลูกสุนัขเนี่ย เพราะการเกิดเป็นสัตว์เดชานต่างๆเนี่ยส่วนนึงก็คือจิตใจเป็นห่วงหลายๆอย่างนะอ่าบางทีในบ้านเรามีจริงจบตุ๊กแกอย่าไปทำลายเขาเนะอ่าจะเป็นญาติพี่น้องเรามาเกิดก็ได้นะเพราะว่าก็ยังเป็นห่วงเราอยู่เห็นไหมอ่าเราก็จะไปผูกพันกับสัตว์เดชานมากเวลาเราเลี้ยงก็จะไปรักเขามากรักเขามากแล้วก็มีโอกาสไปเกิดเป็นลูกเขาได้เหมือนกันนะสิ่งเหล่านี้ต้องเข้าใจนะ การเกิดเป็นมนุษย์นะการเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรามีโอกาสที่จะเลือกได้อยู่แล้วนะการเกิดเป็นมนุษย์นี่ถ้าเราทําความดีรักษาศีลให้ทานไปเรื่อยๆเนะี่ยเราก็มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์ได้นะยิ่งผู้ใดทําครบนะให้ทานให้ทานนี่มีโอกาสที่จะเป็นคนรวยนะเพราะการให้ทานเนี่ยจะจะทําให้เราสมบูรณ์ด้วยจตุปัจจัยทั้งสี่นะนะการรักษาศีลก็ทําให้เราเกิดเป็นคนสวยคนงามนะ การเจริญภาวนาก็ทําให้เราเมื่อเกิดมาแล้วเรามีปัญญานะครัว่ามีปัญญาคือเราจะหาทางพ้นทุกข์ด้วยตัวเราเองได้เนเหมือนเรามานั่งเนี่ย เ, เราอ่าหาทางที่จะพ้นทุกข์นะแสะดงว่าเราต้องเคยทํามาแล้วในะในการเจริญภาวนามาก่อนอถ้าเราจะเ ก, าเกิดเป็นเทวดาเนี่ยเราก็เออ่ให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมอาเมธีเลโอตปะนะเพราะฮิเลโอตระนี่ก็เป็น นะคุณธรรมเทวดาหิริโอตตาปะสัมปันโนสุกัธ ร, รมมะสมาหิโตอันนี้ก็เป็นคุณธรรมของเทวดานะถ้าเราอยากไปเกิดเป็นพรมนะเราก็อเจริญสมาธิจเจริญฌานให้ได้นะฌานหนะึ่งถึงฌานสี่เนี่ยก็ไปเกิดเป็นรูปพรมในสิบหกฌานนะจะไปเกิดเป็นรูปพรมแล้วก็เจริญเรูรประฌานนะ วิญญาณัญญาญานะในวสัญญาสัญญาญานะอากิญจัญญาญานะต่างๆเหล่าเนี้ยเราก็ไปเกิดเกิดเป็นรูปภมได้เนี่ยเราเลือกได้เลยนะไม่ใช่เราเลือกไม่ได้หรือเราจะไม่อยากเกิดเป็นอะไรเราอยากไปนิพพานแล้วก็ทําได้เหมือนกันนะเราก็เนี่ยบําเพ็ญเจริญภาวนาไปออย่าง น, น้อยๆก็ต้องมีศีล น, นะมีศีลมีสติมีสมาธิมีปัญญาหลุดจากการยึดมั่นถือมันทั้งปวงอมองเห็นสภาวะต่างๆเป็นความไม่เที่ยงนะ สิ่งเหล่านี้สําคัญมากเลยนะคือจริงๆแล้วถ้าผู้ใดจับสภาวธรรมได้สภาวธรรมหนึ่งนะเราสามารถที่จะเอามาปฏิบัติได้เป็นประจำแล้วก็ตรงกับจริตของเราเราก็มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมแล้วเช่นเราจะเข้าใจในความไม่เที่ยงอ่จนเป็นเนื้อเดียวความไม่เที่ยงเลยก็ใช้ได้นะอ่าสมัยหนึ่งหลงวประชาท่านท่านชอบพูดบ่อยๆไม่แน่เนะ้ะ ถ้าจะสอนลูกศิษย์ประจําไม่แน่เนาะมันก็ไม่แน่นะไม่เที่ยงนะไม่แน่เนาะแล้วตอนหลังมีวันหนึ่งท่านก็เดินเข้ามาในตลาดเมืองอุบลราชธา น, นีท่านได้ยินเสียงเพลงมันบอแน่ดอกนายะสมัยก่อนจะมีเพลงนี้นะแต่จําเนื้อรองไม่ได้แต่จะมีสร้อยอต่อประจำมันบอแน่ดอกนายเพลงนี้จะมีหลายๆอย่างจะพูดถึงเสียงต่างแล้วจะลงท้ายว่ามันบอแน่ดอกนายรู้ว่าชาบะวูเพลงนี้ใช้ได้เลยมันยอดเดียมมาก เพราะมันบอกได้หลังนายก็คือความไม่เที่ยงนั่นเองนะเพราะว่าตรงอที่สิ่งที่ท่านจะมาใช้อยู่ประจำอยู่แล้วคือมันไม่แน่หรอกไม่แน่หรอกมันบอกแน่ก็คือมันไม่ไมแน่หรอกมันไม่เที่ยงหรอกใช่ไหมพอใครที่มองเห็นความไม่เที่ยงบอย ก, ก็จิตก็จะเข้าใจสภาวะธรรมเองว่ามันไปเอาจริงเอาจังเข้าไม่ได้ไปยึดมั่นถือมันไม่ได้ก็คือเราไม่ไม่ไปยึดกับอะไรแล้วมันไม่เที่ยงแล้วล่ะใช่ไหม อะไรมันจะหายไปมันก็ไม่เที่ยงก็เป็นเรื่องของมันอยู่แล้วเนะี่ยเราจะเจ็บใครได้ป่วยก็เป็นก็ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เที่ยงของมันก็แสดงให้เราเห็นอยู่แล้วนะะคนจะตายคนจะเป็นอะไรก็เป็นเรื่องของเขาอยู่แล้วมันไม่ไม่เที่ยงเนี่ยหลวงประชาสมัยนั้นจะพูดในคํานี้ประจํานั่บอแน่มาแน้า่านะมันไม่เที่ยงหรอกในชะ่ไหมท่านก็ใช้เราเนี่ยจน จริงๆแล้วท่านก็บรรลุธรรมไปแล้วล่ะแต่ท่านใช้คำนี้มาสอนลูกศิษย์เพื่อให้ลูกศิษย์เนี่ยเข้าใจในสภาวะเหล่านี้จะได้ไม่ยึดมั่นถือมันอะไรเยอะะเมื่อไม่ยึดมั่นจิตก็จะคลายออกจากความยึดติดต่างๆอ่จิตก็จะคลายออกจากวิลาคะต่างๆได้นะเมื่อคลายออกจิตเป็นวิลาคะก็จะนิโรโทรจาโครปรนิสสะขวมุตติอนารโยะก็จะคลายจากตัณหาต่างๆไปได้ก็เข้าถึงความ้นทุกข์ได้ทั้งนั้นนะ ก็ให้เห็นสภาวธรรมสภาวใดยอย่างหนึ่งให้แน่นอนไปเช่นความไม่เที่ยงเป็นต้นนะหรือเห็นความทุกข์ก็ได้นะเห็นความทุกข์ให้ชัดเจนคนเราเกิดมาก็มีแต่ความทุกข์เท่านั้นนะความทุกข์เท่านั้นพรนะพุทธองค์บางทีก็ตัดว่าทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์นั้นทุกข์นั้นเกิดขึ้นทุกข์นั้นตั้งอยู่และทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนะ เนี่ยเราก็ต้องมองเห็นในตรงนี้ว่ามีแต่ความทุกข์เท่านั้นนะถ้าเราเห็นความทุกข์จริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะได้ออกจากความทุกข์อยากจะออกจากความทุกข์ดิ้นรนออกจากความทุกข์นะ mm. แล้วก็ที่จะพ้นทุกข์จริงๆมันก็ต้องเห็นความทุกข์และอยู่กับทุกข์ได้นั่นเองนะถ้าเราไม่เห็นในความทุกข์เราจะไม่ดิ้นรน mm. หรอกคนนี่ไม่มาปฏิบัติธรรมสมมาจะไม่เห็นความทุกข์แล้วก็ไม่ดิดน้นรน แต่ถ้าเราเห็นความทุกข์แล้วเราก็จะดิ้นรนเราเองเหมือนที่พระเจ้าเป็นต้นนะท่านเห็นความทุกข์ชัดเจนนะในความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนะท่านก็ดิ้นรนหย่อนจากพระราชวังมาสู่การพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเห็นในสิ่งเหล่านี้ให้ชัดเจนนะหรือจะเห็นอนัตตาสักอย่างหนึ่งให้ชัดเจนนัแตา่ความไม่ตัวไม่ตนของเราเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้จริงๆนะจริงๆแล้วก็สแสดงสภาวะที่เราบังคับบัญชาเขาไม่ได้ ตลอดทั้งวันอยู่แล้วนะเขามีความคิดทั้งวันนะไม่ใช่เราคิดหรอกเขาก็คิดของเขาทั้งวันะจิตของเขาก็คิดทั้งวันนะจะให้เขาหยุดคิดสักห้าเลยก็ไม่ได้เลยนะจะเห็นเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้นะเขาทํางานของเขาเองเขาก็โกรธเขาก็รักของเขาเองเราไม่อยากจะโกรธหรอกแต่เขาก็โกรธของเขาเองนะแสดงเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้จริงๆเนี่ยต้องเห็นในสิ่งเหล่านี้ให้ชัดเจนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะเห็นใ้ชัดเนี่ย อ น, นิจจังหรือความไม่เที่ยงก็ได้ทุกขังคือความที่มันทนในสภาวะเดิมไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะมันทนในสภาวะเดิมไม่ได้นี่แหละคือความทุกข์ถ้ามันทนได้มันก็ไม่ทุกข์แต่มันทนไม่ได้มันคือความทุกข์เมื่อเรานั่งเนี่ยเราทนไม่ได้เราก็ต้องลุกขึ้นมายืนมาเดินมานั่งมานอนต่างๆเนี่ยก็คือเราแก้ทุกข์กันเองเนอะอความไม่ความที่เราเป็นอนัตตาเราบังคับบัญชาก <Ĉ> <ม>็ไม่ได้ไม่ตัวไม่ตนของเราเนี่ย เนี่ยถ้าเราเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งได้ชัดเจนแล้วมันก็จะลิงก์หรือว่าจะเชื่อมต่อกันไปได้หมดเลยจิตทก็จะทลายนะความยึดมั่นถือมั่นได้ทั้งหมดเนี่ยอันนี้ก็คือถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะการปฏิบัติธรรมเราจะก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปนะเพราะการปฏิบัตินี้ไม่ได้เพื่ออะไรเพื่อที่จะการปล่อยการวางจากการยึดติดในขันห้าคือรูปใวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือกายและใจเหล่านี้เองเมื่อมันปล่อยแล้วเนี่ยจิตก็จะเบาออกจากปัญหา ก็จะเป็นเวลาขะไปนะอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ว่าเรานะเข้าใจแล้วมันก็จะง่ายเราไม่ได้ทําเพื่ออะไรเลยเพื่อเห็นความไม่เที่ยงความทุกขนะ์แล้วเป็นหน้าตานั้นเองนะครั้งนี้นะก็ถามในว่าเออตายแล้วเนี่ยทราบหรือไม่อ่นะก็ตอบว่าต้องท่านทราบแล้วนะว่าเกิดมาแล้วต้องตายทุกคนนะแต่ว่าไม่ไม่ทราบว่าจะตายวันไหน เวลาไหนตายที่ไหนนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องมาพิจารณาให้ดีว่าเราเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราต้องตายทุกคนเลยนะไม่มีใครไม่ตายหรอกทุกวันเนี่ยเราต้องตายแน่นอนนะเป็นคำพิพากษาทึกศาล ด, ดีกาและอุทอยไม่ได้ด้วยนะนะต้องตายแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าคำสั่งที่จะลงโทษตัดสินประหารเราชีวิตในวันไหน ไม่เราจริงว่าอย่าไปประมาทนะขณะนี้กําลังมีความเป็นหนุ่มเป็นสาวอ่าเราแข็งแรงมันไม่แน่หรอกนะบอลแน่เหือลูงพ่อชาบอกบอลแน่นะไม่รู้จะตายวันไหนนะมันบอลแน่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทํามันคืออ่าต้องอย่าประมาทนะไม่ฉันไม่รู้ว่าจะตายวันไหนเวลาไหนแล้วตายที่ไหนด้วย <c oughs> ถ้าเราทําตรงนี้ได้นะเราก็จะเป็นแบบนี้ว่า <c oughs> เออเราจะทําอย่างไรนะที่จะไม่ประมาท พระจ้ได้ทรงถามพระนรพลว่าอานน์เธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระนร์ตอบว่าระลึกถึงความตายวันละเจ็ครั้งผมจะาบอกน้อยไปสถาคนระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกในขณะพระเจ้า ก, ก็ยังระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกเลยนะอ่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราถ้าเราระลึกในสิ่งเหล่านี้อยู่เป็นประจําว่าเราต้องตายนะเราจะไม่ประมาทเลยนะไม่ประมาท เพราะว่าไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ถ้าเราระลึกถึงแบบเนี้ประการแรกนี่เราจะไม่กลัวความตายนะไม่กลัวเมื่อความตายมาเราจะไม่กลัวมันนะให้เห็นสิ่งเหล่านี้บ่อยๆแล้วเราก็จะไม่กลัวนะบางทีนะการที่เราระลึกถึงความตายเนี่ยเราเรามีโอกาสไปงานศพนะอ่าเราอย่าอย่าไปประมาทในตรงนี้นะถ้าเราไปงานศพเนี่ยเป็นระลึกถึงสิ่งนี้จะได้ไประโยชน์เยอะนะ เมื่อก่อนเคยไปอยู่วัดวัดหนึ่งก็ปรากฏมีพระตายอ่าพระนี่ยังหนุ่มๆอยู่เลยนะแต่ว่าตายเอาเก็บศพแค่วันสองวันเท่านั้นเองอ่าเจ้าวาดให้เผาเลยนะเผานี่เผาสดๆเลยเผาให้เป็นกรรมฐานเลยน ะ, ะเผาแบบพระกรรมฐานเลยอ่าไปเอ า, เ, อาเอากองไม้มาชาวบ้านก็ช่วยเอากองไม้มาแล้วก็เอาไม้อัดบางๆเท่านั้นเองไม้อัดบางๆแล้วก็มาทําเป็นโรง ใส่ศพหรือไมก็เผากลางแจ้งนั่นเลยอ่าเป็นแบบเผาแบบชั่วคราวไม่มีเมนไม่มีอ่าอะไรทั้งนั้นนะแล้วก็ให้พระมาดูกันพระก็มาดูการเผาก็เห็นเลยนะเอศพโดนเผาก็บางทีก็ดินไปดินมานะดินไปดินมาะเพราะว่าเส้นเอ็นในบางทียังสดๆอยู่พอโดนไฟมันก็จะอ่าเกิดการยืดตัวหดตัวก็เหมือนก็ดินไปดินมาดูแล้วก็น่าสงสาร นี่ะถ้าเราตายแล้วยังมีจิตวิญญาณเนี่ยนะเราก็แย่เลยนะโดนเผาเราทรมานมากแต่ว่าจิตวิญญาณมันก็ออกไปแล้วดูจนกระทั่งว่าเอโดนเผาแล้วมันก็สลายไปนะสลายไปอ่ากลายเป็นกระดูก่ะกระดูกก็ยังเผาต้องนานกว่ามันจะค่อยๆที่จะอ่ากลายเป็นฝุ่นลงมาเนี่ยมันนานมากนะต้องดูไปอย่างนั้นพ่ะาก็เจริญกรรมาถ่ายไปด้วย อันนี้เป็นวิธีการเจริญกรรมทานของพระป่าในสมัยก่อนนะสมัยก่อนนี่จะไม่เก็บศพไว้นานไม่เกินสามวันจริงๆแล้วก็วันเดียวเท่านั้นพระกรรมฐานสมัยก่อนเผาเลยนะเผาเลยเผาสดๆเลยให้พระดูกันเลยเพราะพระสมัยก่อนนี่จะชอบไปอยู่ตามป่าช้ากันมากเพราะตามสมัยก่อนนั้นเขาจะนำศพเนี่ยมาไว้ที่ป่าช้ากันนะมาวันนที่ก็มาวางเอาไว้นะแล้วก็พระไปพิจารณาดู พิจารณาในขณะที่ยังไม่เผานี่มันก็ได้ประโยชน์นะสมัยหนึ่งมีพระอยู่กลุ่มหนึ่งเนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นพระหรหันแล้วเนี่ยก็เดินทางมาเฝ้าผู้เจ้าผู้เจ้ารู้แล้วล่ะ ว, ว่ากลุ่มนี้ยังไม่ใช่เป็นพระหรหันก็บอกให้ไปรอที่ป่าช้าก่อนปรากฏตอนเย็นก็มีชาวบ้านนําศพผู้หญิงสาวยังสดๆมาไว้ที่ป่าช้าะพระเหล่านี้ก็ไปรุมดูกันก็เกิดราคะขึ้นมาก็รู้ว่ายังไม่สำเร็จเป็นพระหรหันก็เลยบําเพ็ญเพียร ด้วยความเพียรไปอย่างยิ่งก็บรรลุเป็นพระอรหันต์กั น, นในสุดก็เข้าข้าวพรจพุเทเจ้าได้นะเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนเนี่ยพระนี่นิยมไปตามป่าช้ากันนะไปดูการเผาศพหรือดูศพสด ๆ, ๆเนี่ยให้เป็นอสุภะเพื่อที่จะมาพิจารณากันแล้วท่านก็มีวิธีการด้วยเวลาดูเผาศพดูศพเนี่ยให้อยู่เหนือลมอย่าไปอยู่ใต้ลมนะก็มีวิธีการต่างๆอยู่ครูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านก็ใช้วิธีแบบนี้กันนะเป็นการจเจริญอสุภะด้วยจเจริญมรณสติด้วย นะถ้าผู้ใดทําได้เช่นนี้แนละ้วก็มีแต่ความก้าวหน้านะมีแต่ความเจริญในธรรมเราจะไม่ประมาทเลยนะในชีวิตเราว่าเหลืออยู่เวลามากน้อยเพียงใดแต่เราจะใช้เวลาที่เหลืออยู่แต่ละขณะแต่ละขณะนี้เนะี่ยในการที่จะชําระจิตของเราเนี่ยให้กิเลสน้อยลงไปเรื่อยๆนะเนะี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่เราอ่าต้องมาทํากันนะ ทำอย่างไรให้ใจของเราในกิเลสลดลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะต้องเข้าใจว่าเอปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยกิเลสจะต้องลดลงนะไม่ได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยกิเลสมีเพิ่มมากขึ้นอเป็นคนโกรธง่ายอเนนเาา่เป็นคนเจ้าโทสะเป็นคนเจ้าลมนี่แสดงเราจะไปปฏิบัติธรรมไม่ได้ผลแต่เราปฏิบัติธรรมได้ผลแล้วเนี่ยอารมณ์ต่างๆก็จะลดน้อยลงไปกิเลสก็จะลดน้อยลงไปเราจะสังเกตตัวนี้ได้ชัดเจนนะเพราะนั่นหลวงพ่เทียนยังบอกว่า ถ้าผู้ใดปฏิบัตนะิโดยวิธีลงวฒเทียนแล้วเนี่ยอย่างเร็วนะก็หนึ่งวันถึงเก้าสิบวันนะอย่างช้านี่ก็ไม่เกินสามปีนะความทุกข์เราก็จะลดน้อยลงไปเหลือจะไม่มีความทุกข์เลยนี่แหละเราก็ต้องอทําอย่างไรจรึงจะเป็นแบบนั้นนะเพราะการปฏิบัติวิธีลงวฒเทียนนี่อย่างหนึงก็คือความรู้เนื้อรู้ตัวนะหรือว่าอยู่กับฐานกายนั่นเองนะเมื่ออยู่กับฐานกายแล้วเนี่ยจริงๆแล้วการอยู่กับฐานกายนี่มันเป็นสิ่งที่ง่ายมากนะ อยู่กับฐานกายเนยความรู้สึกตัวเป็นสิ่งี้ง่ายมากหรือแม้แต่นาประทัติการที่เรารู้ลมหายใจก็เป็นสิ่งนี้ง่ายเนี่ยเอาความอยู่ที่ฐานกายเนี่ยเป็นพื้นฐานและเมื่อจิตแลบไปในลมต่างๆนะจิตมีความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นเนี่ยก็กลับมาที่ฐานกายปั๊บเนี่ยมันก็เลยดับหายไปนะอันนั้นแหละเราก็คือเราไม่เพลินไปในรมต่างๆแล้วนะแต่ถ้าเราไม่มีฐานกายเป็นเครื่องอยู่แล้วเนี่ยจิตก็จะเพลินไปในลมต่างๆได้นาน เพลินไปเลยนะพอใจก็พอใจนานไม่พอใจมีอารมณ์ต่างๆก็อยู่ในอารมณ์เหล่านั้นนานเพราะเราไม่มีฐานกายเป็นเครื่องอยู่นะแต่ถ้าเรามีเครื่องฐานกายเป็นเครื่องอยู่ปับ๊บมันก็จะเป็นการที่เรียกว่ามันจะตัดอารมณ์ได้อย่างรวดเร็วก็จะทิ้งไปเลยนะลองดูถ้าเรามีความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยอารมณ์ต่างอยู่ในใจเราไม่ได้หรอกก็จะจางหายไปอย่างรวดเร็วมันจะดับไปต่อหน้าต่อตาเราเลยนะเพราะโดยวิธีการเหล่าเนี่ยเราจรึงต้องมารู้สึกตัวบ่อยอยู่ที่ฐานกายบ่อยนะ อยู่รู้สึกตัวรู้สึกตัวไปรู้สึกตัวไปนะตัวนี้คือปฏิจุบันธรรมนะหรือตัวนี้ก็คือความที่เป็นวิหารธรรมของจิตนั่นเองนะเมื่อจิตมีวิหารธรรมแล้วเนี่ยเสียงต่างเนี่ยก็จะมายุ่งกับใจนี้ไม่ได้นะมันจะเปของแปลกของปลอมทั้งสิ้นนะจิตนี้สามารถที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆได้เร็วเมื่อจิตมีความตื่นตัวขึ้นมาแล้วนะจิตจะมีความว่องไวอ่านะมีความปานนี้นะ มีความคมกล้าในการที่จะทิ้งอารมณ์ต่างๆได้เองนะทิ้งเลยเพราะนั่นการที่มันทิ้งนะก็คือการไม่เพลินไปในอารมณ์ต่างๆยิ่งไม่เพลินบ่อยๆนะจิตจะมีกําลังในการที่จะละกิเลสได้เร็วกิเลสมันจะเข้ามาในใจเราไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราเพลินอารมแล้วนะมันจะอยู่ในใจเราได้นานเพราะนั่นการปฏิบัติธรรมทั้งหมดก็คือให้เราอย่ายไปเพลินในอารมณ์ต่างๆนะรู้เท่าทันแล้วก็ปล่อยเข้าไปวางเข้าไปนะจะต่างคนต่างอยู่ของเขาเองนะในสุด เมื us, us, so to to i i ่อเราไม่อยู่เขาเขาก็ไม่อยู่กับเราก็ต่างคนต่างแยกกันไปนะเหมือนสามีภรรยาเมื่อไม่ถูกกันแล้วไม่พอใจกันแล้วไม่รักกันแล้วก็แยกกันจากกันไปอยากกันในที่สุดนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่พอใจกิเลยอ่ไม่อยู่กับเขากินเลยก็ไม่อยู่กับเราเหมือนกันนะเขาก็แยกของเขาไปนะเราก็จะถึงซึ่งพันธะในชาตินี้นะก็ขอทุกท่านถึงพันานในชาตินี้ทุกท่านเถิด